ตอนบับคุณฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไม่นะคะกับชีวิตยโคยคีค่ะวันนี้ตอนที่12จากหนังสือที่เป็นอันตาชีวประวัติของโยคยีท่านประมาะังสาโยคานันทะโยคียชื่อดังในอินเดียและก็ไปโด่งดังที่สหรัฐอเมริกานะคะได้รับการยอมรับนับถือจากฝรั่งมังค่าเป็นอย่างมากค่ะและท่านได้เขียน อาตาชีวประวัติเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นหนังสือที่มีคนยกย่องนะคะว่าเป็นหนึ่งในหนังสือทางจิตวิญญาณที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งแห่งศตวรรษเลยทีเดียวค่ะวันนี้เราเรื่องวิธีการสแสวงหาของอท่านปรมาหังษาโยคานันทะเนี่ยนะคะมาเป็นตอนที่12แล้ว สำหรับในตอนนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของท่านอาจารย์สียุคเตสุเนซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ท่านสำคัญของท่านโยคานันทะน่าสนใจแล้วก็น่าสนุกมากนะคะเหมือนกับเวลาที่เราอ่านประวัติของพระปฏิบัติที่ท่านได้ผ่านบทเรียนในการปฏิบัติจนสามารถบรรลุถึงธรรมะขั้นสูง และก็มีวัดปฏิบัติที่งดงามน่าเคารพศรัทธานะคะท่านศียุคเตสวนก็เป็นโยคีที่ผ่านการเคี่ยวกรลัตัวเองสูงสุดสุสามันค่ะคนที่เก่งจริงๆคนที่ดีจริงๆจะไม่ยึดติดในความเก่งหรือว่าความดีเพราะว่าความเก่งความดีตรงนั้นไม่ได้มีความหมายอะไรกับท่านแล้วแต่ว่าท่านก็จะกลายเป็นคนที่ธรรมดาสามันเรียบง่ายอย่างที่สุด วันนี้มาฟังชีวิตนะคะแล้วก็แง่มุมบางแง่มุมของท่านอาจารย์ศรียุคเตสวนกันต่อค่ะนอกจากจะเป็นความมหัศจรรย์ของคนเก่งคนดีคนหนึ่งแล้วยังมีข้อคิดทางธรรมะให้เราได้คบคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของเราด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วฟังได้เลยนะคะชีวิตโยคี ต, ตอนที่12ค่ะ ในตอนนี้นะคะจะเล่าถึงเรื่องแม่ของท่านอาจารย์สียุคเตสวรกับท่านสียุคเตสวรว่าท่านปฏิบัติท้าดูแลแม่ของท่านอย่างไรแม่ของท่านอาจารย์สียุคเตสว น, อ า, ยยนอาศัยอยู่ในเขตอรานามาฮานของเมืองพาราณสีค่ะท่านเป็นสตรีที่น่ารักใจดีและก็มั่นคงในความคิดของตนเป็นอย่างยิ่ง วันหนึ่งขณะที่มุกุลทะยืนอยู่บนระเบียงบ้านหมายถึงระเบียงบ้านของท่านสียุคเตศวนพอมองลงมาก็เห็นท่านสียุคเตศวนกับแม่เนี่ยกำลังยืนคุยกันสองคนแม่ลูกท่าทางเหมือนกับว่าท่านอาจารย์รียุคเตศวนกําลังหาเหตุผลที่จะมาเปลี่ยนใจแม่ของท่านในบางเรื่องแต่ดูท่าทางแล้วคงไม่สําเร็จเพราะว่าแม่ของท่านเอาแต่สายหน้าลูกเดียวไม่ ไม่ละจะไปไหนก็ไปเถอไปเก็บคําสอนของเจ้าเอาไว้เทศนาคนอื่นเธอแม่ไม่ใช่ลูกศิษย์ลูกหาของเจ้าสักหน่อยปรากฏว่าอาจารย์สียุคเตสวนลาถอยไปโดยไม่ต่อล้อต่อเถียงราวกับเด็กที่กําลังถูกผู้ใหญ่ดุว่ากระนั้นท่านเคารพแม่อย่างสูงทั้งๆ ท, ที่แม่ของท่านถือเอาอารมณ์เป็นใหญ่จากภาพที่เห็นทําให้มุกุลทัก ยิ่งมีความศรัทธานในตัวของท่านอาจารย์มากยิ่งขึ้นแม่ของท่านมองท่านเป็นเพียงลูกเล็กๆโดยไม่ได้มองว่านี่คือสวามีผู้ทรงภูมิธรรมเหตุการณ์เล็กๆใ น, น้อยในครั้งนี้เป็นที่จับใจมุคุนทะในแง่ที่แสดงให้เห็นถึงตัวตนที่แตกต่างไปจากปกติวิสัยของท่านนั่นก็คือภายนอกท่านเหมือนจะยอมหักไม่ยอมงอแต่ภายในมีแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตน โดยปกติแล้วมีวินัยของผู้ที่ออกบวชกำหนดให้สวามีหรือว่านักบวชตัดข้อผูกพันทางโลกออกให้หมดหลังจากออกบวชอย่างเป็นทางการแล้วนั่นก็คือว่าสวามีจะประกอบพิธีกรรมในครอบครัวอันเป็นหน้าที่โดยตรงของขรือหัดไม่ได้ แต่ท่านสังฆราชาผู้ปรับปรุงและฟื้นฟูสำนักสวามีเก่าแก่ขึ้นมาใหม่ไม่ได้สนใจกฎข้อห้ามนี้หลังมารดาผู้เป็นที่รักของท่านเสียชีวิตลงท่านได้ประกอบพิธีชาปนกิจศพให้กับนางด้วยไฟทิพย์ที่เสกขึ้นจากมือของท่านเองท่านอาจารย์ียุคเตสวนก็ไม่ได้สนใจกับข้อห้ามเหล่านี้เช่นกันแต่การกระทาของท่านก็ไม่ได้มีสิ่งใด ให้ตื่นตาตื่นใจเหมือนในกรณีของท่านสังกรรจาร์เมื่อแม่ของท่านจากไปท่านก็ได้จัดพิธีชาปนกิจศพให้ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาในเมืองพาราณสีมีการทำบุญเลี้ยงอาหารเหล่าพระมนาจารย์และการประกอบพิธีตามธรรมเนียมครือัดอีกหลายอย่างข้อห้ามในคำพีโบราณเหล่านั้นมีไว้เพื่อช่วยให้สวามีทั้งหลาย ก้าวข้ามความยิดติดกับตัวตนไปได้ท่านสังคราจารย์กับท่านสียุคเตสวนได้ประสานจิตวิญญาณเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าโดยสมบูรณ์จึงไม่จําเป็นจะต้องอาศัยข้อห้ามเป็นเครื่องเตือนตนคือได้ก้าวพ้นตรงนั้นไปแล้วแล้วก็ยังมีอีกบางครั้ง ที่ครูบาอาจารย์บางท่านจงใจเลี่ยงวินัยบางข้อเพื่อรักษาไว้ซึ่งหลักการเพราะหลักการย่อมสูงส่งและเป็นอิสระเหนือรูปแบบทั้งปวงนอกจากพระคำพีแล้วอาจารย์สียุคเตสวนท่านอ่านหนังสืออื่นน้อยมากค่ะแต่ท่านมีความรอบรู้เรื่องราวการค้นพบใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์รวมไปถึงความก้าวหน้าทางวิทยาการทุกขแขนง ท่านเป็นคู่สนทนาที่ปราดเปรื่องพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะกับแขเกเรือได้แทบทุกเรื่องมีไหวพริบ ป, ปฏิพานมีอารมณ์ขันสร้างความคลึกคลื้นให้กับวงสนทนาได้ทุกครั้งไปท่านอาจารย์เป็นคนเคร่งครึมแต่ไม่เคยมนหมองท่านบอกว่ามนุษย์เราไม่จำเป็นต้องปั้นหน้าในการแสวงหาพระเจ้า ในบรรดานักปรัชญาคณาจารย์นักกฎหมายและนักวิทยาศาสตร์ที่มาเยือนอาสมที่เซรัมปอบางคนก็นึกในใจนะคะว่าจะต้องมาพบกับนักบวชหัวโบราณบางครั้งบุคคลเหล่านี้ก็จะมีรอยยิ้มที่บ่งบอกถึงความทนงตนหรือสายตาส่อแววขบขันที่ปิดไม่อยู่บอกให้รู้ว่า แขกผู้มาเยือนไม่ได้คาดหวังสิ่งใดมากไปกว่าคำเทศนาะอันซ้ำซากจำเจสักประโยคสองประโยคแต่หลังจากที่ได้คุยได้สนทนากับอาจารย์แล้วและพบว่าท่านมีความรู้ความเข้าใจในสาขาความรู้ที่พวกเขาเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีพวกเขาก็จะติดอกติดใจจนไม่อยากจะลากลับปกติแล้ว ท่านอาจารย์สียุคเตสวนจะสุภาพอ่อนโยนต่อแขเกเรือให้การต้อนรับพวกเขาด้วยอัธยาศัยไมยตรีที่ดีแต่ว่าก็จะมีบางคนที่อัตตาสูงก็มักจะต้องเจอะเจอเรื่องที่ทำให้ต้องหน้าม้านกลับไปได้เช่นกันเมื่ออาจารย์วางเฉยไม่ให้ความสนใจหรือไม่ก็ตอบโต้ชนิดที่เถียงกลับไม่ได้ หรือไม่ก็เย็นชาเป็นน้ำแข็งแกร่งเข้าใส่เหมือนเหล็กอย่างเช่นครั้งหนึ่งมีนักเคมีผู้มีชื่อเสียงมาประพิปากกับอาจารย์เขาไม่ยอมรับการมีอยู่ของพระเจ้าด้วยเหตุผลที่ว่าเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ตรวจหาพระองค์ไม่พบอาจารย์รียุคเตสวนจ้องสายตานักเคมีผู้นี้แล้วก็กล่าวว่า แสดงว่าการทดลองของคุณล้มเหลวถึงได้แยกอำนาจแห่งพระเป็นเจ้าในหลอดทดลองออกมาไม่ได้ึ่งขอแนะนําให้คุณทดลองด้วยวิธีใหม่จงกลับไปพิจารณาความคิดของคุณอย่างไม่หยุดยัง้งติดต่อกัน24ชั่วโมงคุณจะได้ไม่สงสัยอีกต่อไปว่าพระเป็นเจ้าไม่ทรงมีอยู่จริงขณะเดียวกันนักวิชาการชื่อดัง ก็ถูกตอกหน้ากลับไปในทํานองเดียวกันเรื่องเกิดขึ้นในการมาเยือนครั้งแรกของนักวิชาการท่านนี้พอมาถึงอาสมเขาก็ยกเอาสโลกจากมหากรามหาภารตะบ้างคำพีอุปนิศัตต์บ้างคำพีอุปนิศัตต์หรือว่าเวทานตะแปลว่าที่สุดแห่งพระเวทนะคะก็คือเป็นตอนท้ายสุดของคำพีพระเวท ก็คือเป็นคำภีสูงสุดของทางฮินดูแล้วค่ะคือเอาข้อความในคำพีในวรรณคดีชั้นสูงมาอ้างเอามาท่องให้อาจารย์ศรียุคเตสวนฟังเหมือนนกแก้วนกขุนทองชันรอฟังคุณอยู่นำเสียงของอาจารย์แสดงความอยากรู้อยากเห็นเหมือนไม่ได้ยินข้อความ ที่นักวิชาการ ท, านนท่านนี้ท่องให้ฟังเลยแม้แต่ประโยคเดียวคือในขณะที่นักวิชาการกำลังท่องธรรมะกำลังท่องอปรัชญาข้อคิดสโลกให้ฟังเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่ารอฟังอยู่นะนักวิชาการก็งงเลยว่าเอ๊ะทาไมถึงบอกรอฟังอยู่ในเมื่อกำลังท่องให้ฟังคำที่จำคนอื่นเข้ามาพูดนั้นมีอยู่มากจนเหลือจะฟังแล้ว คุณมีข้อคิดความเห็นที่เป็นตัวของตัวเองจริงๆมาบอกเล่าให้ฉันฟังบ้างไหมล่ะเรื่องราวชีวิตของคุณที่มันพิเศษพิสดารไปจากชาวบ้านเขานะคุณสนใจศึกษาพระคำพีเล่มไหนแล้วได้แต่งคำพีอะไรขึ้นมาเองบ้างหรือเปล่าสัจธรรมอันอยู่เหนือการเวลาเหล่านี้ช่วยให้คุณปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นในแง่ไหนบ้างหรือคุณพอใจที่จะเป็นแค่นกแก้วนกขุนทอง ที่จำแต่ขีป่าคนอื่นเข้ามาพูดมุกุท้าบอกว่าถ้อยคำของอาจารย์ทำให้ข้าพเจ้าต้องกลั้นหัวเราะด้วยความขบขันขณะนั่งหลบมุมห่างจากแขกของเราไปพอสมควรนักวิชาการคนนั้นถึงกับบอกว่ากระผมยอมแพ้แล้วขอรับจิตกระผมหาได้แจ้งในธรรมอันใดไม่ อาจารย์ศรียุคเตสวนบอกว่าพวกปวดรู้ย่นเยอะไรความรู้สึกสนใจแต่เรื่องกฎเรื่องรายละเอียดมากจนเกินเหตุพวกเขามองปรัชญาว่าเป็นแบบฝึกหัดง่ายๆในการขัดเกลารปัญญาความคิดอันดูเหมือนสูงส่งของพวกเขาจะถูกกันออกไปอย่างแยบคายไม่ให้เข้ามาเกี่ยวโยงกับความหยาบของพฤติกรรมภายนอก หรือวินัยภายในตนที่มีแต่จะนำความพินาศมาให้อาจารย์ศียุกเตสวนมักจะเน้นย้ำว่าการเล่าเรียนด้วยการท่องจำจากตำราหามีคุณประโยชน์อันใดไม่ยาเข้าใจผิดคิดว่าการรู้คำศัพท์รู้หรูคือความเข้าใจงานเขียนทางศาสนามีคุณประโยชน์ในแง่ที่เป็นปัจจัยกระตุ้น ให้บุคคลปรารถนาที่จะรู้แจ้งในจิตแห่งตนในกรณีที่เขาศึกษาและซึมซับรับเอาความหมายของสโลกบทหนึ่งอย่างค่อยเป็นค่อยไปหากศึกษาไปแบบเรื่อยเปื่อยอาจนำมาซึ่งความมัวเมาความหลงตนและความรู้ที่ไม่ได้แยกแยะให้แจ่มแจ้งอาจารย์เล่าเรื่องราวในการศึกษาคำพีที่ท่านประสบมากับตัวเองให้ลูกศิษย์ฟัง เหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นที่อาสมกลางป่าในเขตเบงกอรตะวันออกโดยอาจารย์ได้มาศึกษากรรมวิธีการสอนของอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งที่ชื่อทาพรุพันละวะซึ่งมีวิธีการสอนที่พบได้ทั่วไปในอินเดียสมัยโบราณนั่นคือท่านทาพรุพันละวะจะเรียกศิษย์มานั่งล้อมวงท่านในดงไม้อันวิเวก มีคมพีพระวัดคีตาเปิดอยู่ตรงหน้าลูกศิษย์ทุกคนตั้งอกตั้งใจอ่านคมพีตอนหนึ่งนานครึ่งชั่วโมงจากนั้นก็หลับตาทบทวนข้อความในคมภีอีกครึ่งชั่วโมงก่อนฟังทันทาพุอธิบายความให้แต่เพียงสั้นๆแล้วนั่งสมาธิอีกหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายทันทาพุก็ถามว่า ตอนนี้พวกเธอเข้าใจความหมายในสโลกแล้วหรื อ, อยังลูกศิษย์คนหนึ่งก็บอกเข้าใจแล้วขอรับยังยังเข้าใจได้ไหมทั้งหมดจงค้นให้พบพลังแห่งจิตวิญญาณที่ทำให้ถ้อยคำเหล่านี้มีอำนาจในการฟื้นฟูอินเดียให้กลับคืนมาได้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ร้อยปีก็ตาม อีกหนึ่งชั่วโมงผ่านไปหลังอนุญาตให้สิทธิของท่านกลับไปได้ท่านถาพรุกก็หันมาหาอาจารย์สียุคเตสวนแล้วก็ถามว่าเธอเล่ารู้แจังในคำพีพระกวัตคีตาหรือไม่ไม่ขอรับยังไม่ทั้งหมดแม้ว่ากระผมจะได้เคยอ่านผ่านสายตาได้ยกขึ้นมาทบทวนในใจจนนับครั้งไม่ถ้วนแล้วก็ตาม ร้อยคนก็ตอบต่างกันไปร้อยอย่างถ้าคนเราเอาใจไปจดจ่ออยู่กับเปลือกนอกของคำพีแล้วจะเอาเวลาที่ไหนดำลงไปเก็บมุกล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ในเบื้องลึกของจิตวิญญาณเราได้เล่าอาจารย์สรียุคเตสวนก็สอนสิทธิ์ทั้งหลายโดยใช้วิธีการพุ่งเป้าไปที่จุดเดียวเช่นกันปัญญาไม่อาจซึมซับได้ด้วยในตา แต่ซึมซับได้ด้วยอนูเมื่อใดที่พวกเธอมีได้เชื่อในสัจธรรมโดยใช้เพียงแค่สมองแต่เชื่อด้วยความเป็นตัวตนทั้งหมดที่มีเมื่อนั้นเธอย่อมสามารถยืนยันและรับประกันความถูกต้องของความหมายนั้นได้โดยไม่ต้องเขินอายใครขอความเพียงประโยคเดียวที่พระมุนีทั้งหลายรจนาขึ้น มีความหมายลึกซึ้งเสียจนบรรดาปราท um> ั้งหลายต้องมานั่งตีความกันรุ่นแล้วรุ่นเล่าการโต้เถียงในเชิงอักษรศาสตร์อย่างไม่รู้จบสิ้นนี้เป็นเรื่องของพวกเกียรติคร้านเฉยชาอะไรเล่าที่จะสามารถปลดปล่อยความคิดให้เป็นอิสระได้เร็วเท่าคำถามที่ว่าพระเป็นเจ้าคือไม่ใช่สิต้องตั้งกระทู้เพียงคาเดียวว่า เพระเป็นเจ้าบุคคลผู้หลงมัวเมาอยู่กับเงินตราและยศถาบรรดาศักดิ์ในทางโลกเมื่อได้มาพบกับท่านอาจารย์ก็มักจะเหมาเอาว่าผู้อื่นควรจะต้องนอบน้อมต่อตนราวกับความนอบน้อมนั้นเป็นสมบัติอีกชิ้นหนึ่งของตนก็ไม่ปาครั้งหนึ่ง มีผู้พิาพากษาท่านหนึ่งมาขอพบอาจารย์ที่อาสมริมทะเลในเมืองปูรีเป็นที่รู้กันว่าผู้พิาพากษาท่านนี้ไม่เคยปราณีใครและท่านก็มีอำนาจที่จะยึดอาสมของท่านสียุคเตสวนไปเมื่อใดก็ได้ข้าพเจ้าปรารลบความจริงข้อนี้ให้ท่านอาจารย์รับรู้ แต่อาจารย์กลับนั่งเฉยแบบไม่ยอมอ่อนข้อไม่ยอมแม้แต่จะลุกขึ้นต้อนรับอีกฝ่ายเสียด้วยซ้ำข้าพเจ้าเป็นกังวล น, นิดๆจึงนั่งแอบอยู่ข้างๆประตูอาจารย์ยยไม่ยอมสั่งข้าพเจ้าให้ยกเก้าอี้มาให้ผู้พิพากษานั่งท่านจึงต้องนั่งลงบนหลังไม้อย่างจำใจเห็นได้ชัดว่าผู้พิพากษาคาดหวังว่า ตนเองจะต้อได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติตามประสาผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายแต่น่าเสียดายที่ท่านต้องผิดหวัง<อ>เมื่อการสนทนาธรรมเริ่มขึ้นผู้มาเยือนก็ตีความพระคัมภีร์แบบเข้ารกเข้าพงไปเรื่อยๆพอพลาดบ่อยเข้าโทรตศัก์ก็เข้ามาเป็นเจ้าเรือนอท่านรู้ไหม ผมสอบมาหาบันทิตได้เป็นอันดับหนึ่งเชียวนะ <I am S 1> มีการโออวดอย่างนี้ด้วยนะคะ <I am S 1> แล้วท่านอาจารย์สียุคเตสวนท่านจะตอบว่าอย่างไรท่านจะมีวิธีรับมือคนขี้อวดแบบนี้ด้วยวิธีไหน <I am. S 1> ติดตามได้ช่วงหน้าคะ่ะ เือท่านผู้พิพากษาได้โออ้างเช่นนั้นท่านอาจารย์ก็บอกว่าท่านผู้พิพากษาท่านคงจะลืมไปกระมังว่าที่นี่ไม่ใช่ห้องพิจารณาคดีของท่านดูจากคําพูดที่เหมือนเด็กไม่ประสาของท่านก็ทายได้เลยว่าผลการเล่าเรียนของท่านคงไม่ได้ความไปด้วยและไม่ว่าจะมองในแง่ไหน ปริญญาจากมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ทำให้คนเรารู้แจ้งในพระเวทได้ใช่ว่าผู้บรรลุธรรมจะจบออกมาเป็นรุ่นรุ่นในทุกๆภาคการศึกษาแบบนักการบัญชีหรือกเปล่าผู้พิพากษานิ่งงันไปเพราะว่าคาดไม่ถึงอยู่อึดใจหนึ่งก่อนที่จะระเบิดเสียงหัวเราะออกมาเต็มเสียงนี่เป็นครั้งแรกที่กระผมได้เผชิญหน้ากักบผู้พิพากษาจากเบื้องบนจริงๆ ภายหลังผู้พิพากษาท่านนี้ยังได้ทำเรื่องร้องขอมาอย่างเป็นทางการโดยใช้สัมบัติสํานวนแบบนักกฎหมายที่กลายเป็นหนึ่งเดียวกับตัวตนของท่านมาเนิ่นนานแล้วแล้วก็ให้อาจารย์กรุณารับท่านเป็นสิทธ์ในขั้นทดลองด้วยแต่ว่าท่านสียุคเตสวนท่านไม่สนับสนุนให้สิทธิ์ที่ยังไม่พร้อมบวชการบวชก็คือ การเข้าเป็นนักบวชที่ต้องคลองผ้ากาสายะก็คือก็มีเครื่องแบบคล้ายๆกับที่พระเนี่ยต้องห่มจีวร อ, อาจารย์ศรียุกเตสวนบอกว่าจงอย่าใส่ใจกับการบวชที่เป็นเพียงสั ญ, ญลักษณ์อย่างหยาบของการสละสิ่งทางโลกเพราะมันจะล่อลวงให้เธอหลงทะนงตนจนเกิดเป็นผลร้ายแก่ตัวเธอเองได้ สิ่งใดก็ไม่สำคัญเท่ากับการพัฒนาจิตวิญญาณของตนด้วยความวิริยะอุตสาหะอยู่เป็นนิตและเครื่องมือที่เธอจะใช้ได้ในการนี้ก็คือกิริยาโยคะนั่นเองผู้บรรลุธรรมจะมีหลักเกณฑ์ที่หลากหลายในการวัดคุณค่าของตนซึ่งแน่นอนว่าจะต้องแตกต่างไปจากมาตรวัดในทางโลกโดยสิ้นเชิง ในใสายตาของครูบาอาจารย์ทั้งหลายมนุษย์แบ่งออกได้เป็นสองพวกพวกหนึ่งลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในอวิชชาและไม่คิดที่จะออกสแสวงหาพระเป็นเจ้าอีกพวกหนึ่งมีปัญญาและคิดจะติดตามหาพระองค์ นอกจากนี้อีกแง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าท่านศียุคเตสวนท่านจะเข้าไปดูแลและบริหารจัดการทรัพย์สินของท่านด้วยตัวเองคือการเป็นนักบวชนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างทางโลกหมดเลยท่านศียุคเตสวนท่านมาจากครอบครัวที่มีฐานะดีมีมรดกนะคะ ที่ปู่ย่าตาทวดเนี่ยได้สะสมเอาไว้ให้แล้วทีนี้พอท่านออกบวชก็มีคนคิดที่จะมาฮุบที่ดินที่บรรพบุรุษของท่านสะสมมาให้แต่ว่าท่านอาจารย์ก็จัดการกับคนเหล่านั้นได้ด้วยความมุ่งมั่นแม้บางครั้งถึงขั้นจะต้องฟ้องร้องเป็นคดีความกันก็ตามเหตุผลที่ท่านยอมลำบาก ในการไปจัดการกับเรื่องมรดกเพราะว่าท่านไม่ต้องการที่จะขอความเมตตาจากใครและไม่ต้องการจะเป็นภาระดูแลให้กับบรรดาสารุสิทธิ์การที่ท่านมีฐานะการเงินมั่นคงทําให้ท่านไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครๆทาให้ท่านสามารถที่จะพูดจาตรงๆคือไม่ต้องง้อลูกศิษย์ที่จะมาอุปถัมภ์หรือว่าดูแลด้านการเงินให้กับท่าน ท่านไม่เคยวันไหวไปกับอำนาจเงินตราของผู้ใดไม่ว่าจะในทางเปิดเผยหรือทางลับบุคุนทะไม่เคยได้ยินท่านเอ่ยปากหรือแสดงทีท่าเพื่อขอรับบริจาคเงินจากใครไม่ว่าจะในกรณีใดแม้แต่การรับสิทธิ์เข้ามาศึกษาในอาสมท่านก็ไม่เคยเรียกร้องค่าครุทักษินาใดๆทั้งสิ้นคือไม่เคยขอรับค่าครู วันหนึ่งมีเจ้าหน้าที่ศาลแวะมายัางอาสมที่เซรมปอเพื่อยื่นหมายเรียกตัวอาจารย์ไปขึ้นศาลมูกุนท้ากับสิทธิในอาสมอีกคนหนึ่งชื่อกั น, นจึงเชิญเขาเข้ามาพบกับอาจารย์แต่ชายผู้นั้นกลับแสดงท่าทีหยาบคาย โดยบอกว่าได้โพรออกจากอาสมไปสูดอากาศที่มีแต่ความสื่อสัตย์ในสารน่าจะเป็นผลดีกับตัวคุณนะมุกุนทะโกรธมากถ้าขืนพูดจาจับจ้วงอาจารย์แบบนี้อีกคำเดียวนายได้ลงไปนอนกองอยู่กับพื้นแน่ๆพอพูดจบมุกุนทะก็ย่างสามขุมเข้าไปหาส่วนกนันนายสิทธิ์อีกคนก็ตะเบงเสียงใส่ว่าจะคนทอย กล้าดียังไงถึงมาพูดจาสามหาวในอาสมันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ในขณะที่ลูกศิษย์กำลังโกรธได้ที่อาจารย์ก็ก้าวมาขวางลูกศิษย์เอาไว้แล้วก็บอกว่าจะมาเอาเรื่องเอาราวอะไรกับเรื่องไม่เป็นเรื่องผู้ชายคนนี้ก็แค่มาทำตามหน้าที่เท่านั้นเองเจ้าหน้าที่สารมึนไปกับการต้อนรับที่ต่างกันแบบหน้ามือหลังมือ จึงรีบกล่าวขออภัยอาจารย์อย่างมีสัมมาคารวะแล้วก็รีบแจ้นกลับไปในทันทีเข้าพเจ้าออกจากประหลาดใจอยู่ครามครันที่คนแข็งกล้าอย่างอาจารย์มีความสงบเยือกเย็นได้ถึงเพียงนี้ทันช่างเหมาะสมที่จะเป็นสาวกแห่งพระเป็นเจ้าตามนิยามในพระเวทโดยแท้ อ่อนโยนนิ่มนวลยิ่งกว่าบุพภาในยามเมตตาแข็งแกร่งยิ่งกว่าสายฟ้าในยามพิทักษ์หลักการในโลกนี้มีคนประเภทที่บราวนิ่งเรียกว่าเป็นพวกหลีกลี้แสงสว่างไปหมกตัวไม่ให้ใครรู้จักอยู่เสมอบางครั้ง จะมีคนนอกที่หลงเชื่อเรื่องโกโหกพกลมจากปากคำของคนอื่นถึงขนาดมาอารวาดเอากับอาจารย์อาจารย์ผู้ใจเย็นของข้าพเจ้าก็จะนิ่งฟังอย่างมีมารยาทและพิจารณาตนเองไปพร้อมๆกันว่ากระทำผิดจริงตามที่เขาด่าว่ามาหรือไม่ภาเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ข้าพเจ้าต้องนึกถึงข้อคิดเห็นที่ท่านเคยกล่าวเอาไว้อย่างน่าฟังว่า คนบางคนยอมตัดหัวคนอื่นเพื่อความยิ่งใหญ่ของตนความสงบสำรวมของโยคีผู้บรรลุธรรมนั้นประเสริฐเลิศกว่าการเทศนาธรรมทั้งปวงบุคคลผู้โกรธช้าก็ดีกว่าคนมีกำลังมากและบุคคลผู้ปกครองจิตใจของตนเองก็ดีกว่าผู้ที่ตีเมืองได้เขาพเจ้ามักคิดอยู่เสมอว่า ถ้าเพียงแต่อาจารย์มีจิตปรารถนาในชื่อเสียงหรือความสำเร็จในทางโลกท่านก็สามารถก้าวขึ้นเป็นพระจั ก, กรพรรดิหรือขุนศึกผู้สร้างความสถานสะเทือนให้แก่โลกได้ง่ายเหมือนพริกฝ่ามือแต่ท่านกลับเลือกที่จะบุกทะลวงป้อมปราการแห่งโทสะและความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาและเมื่อใดที่ป้อมปราการดังกล่าวถูกทลายราบลงเมื่อนั้นมนุษย์ย่อมจะสูงส่งขึ้นอย่างแน่นอน ครั้งหนึ่งมูกุณทะได้เอ่ยปากขออาจารย์สียุคเตสวนว่าเขาต้องการที่จะปรีกวิเวกไปยังเทือกเขาฮิมาลัยมูกุณทะรู้สึกร้อนบรน แล้วก็ไม่สามารถทนการทำหน้าที่ของตนในอาสมและก็ทนการเล่าเรียนในมหาวิทยลาลัยได้อีกต่อไป <st it> เขาเ อ, อ่ยปากขอไปหิมาลัยหลังจากได้รู้จักกับท่านอาจารย์สียุคเตสวนเพียง6เดือนเท่านั้น <st it> ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่เขายังไม่ได้ตระหนักรู้อย่างลึกซึง้งถึงสถานะอันโดดเด่นเหนือผู้อื่นใดของท่าน คือพอมาอยู่ได้ไม่นานก็เบื่ออยากไปสแสวงหากรุณาอนุญาตให้ผมไปฮิมาลายด้วยเถิดขอรับกระผมหวังว่าความวิเวกไร้ซึ่งสิ่งรบกวนจะช่วยให้กระผมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าได้โดยไม่ขาดตอนอาจารย์ศรียุคเตศวนก็บอกว่า มีผู้คนอาศัยอยู่ตามป่าเขาในเขตหิมาลัยมากมายแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ไม่ได้เข้าถึงพระเป็นเจ้าปัญญานั้นควรหาจากมนุษย์ผู้ตรนกรู้ในธรรมแล้วไม่ใช่ไปหาเอากับภูเขาที่ไม่มีชีวิตจิตใจแต่มุกุลทะก็ไม่ใส่ใจยังคงรบเร้าท่านอยู่ต่อไปคราวนี้ท่านอาจารย์นิ่งเงียบไม่ตอบคำใดๆอีก โมกุลทะจึงถือเอาว่าการเงียบของท่านคือคำอนุญาตเย็นนั้นเขาก็ตระเตรียมตัวเพื่อที่จะออกเดินทางเก็บข้าวเก็บของลงกระเป๋าในช่วงเวลานี้เขาอดคิดถึงตอนที่เคยแอบโยนของ ลงมาจากหน้าต่างห้องใต้หลังคาเมื่อหลายปีก่อนที่หนีพ่อไปฮิมาลัยมีความขัดแย้งต่อสู้กันในใจว่าตนเองกำลังทิ้งอาจารย์มานี่เป็นการกระทำที่ไม่น่าจะถูกต้อง ก็เหมือนกับว่ามีความสำนึกผิดชอบชั่วดีใจหนึ่งก็อยากไปอีกใจหนึ่งก็บอกว่าไม่ถูกต้องในการที่จะละทิ้งหน้าที่ไปเช้า ว, วันรุ่งขึ้นมูกุนทะก็ไปหาอาจารย์บัณฑิตพิหารีอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยสกอตช h เชิร์ชโดยบอกว่าอาจารย์ครับอาจารย์เคยบอกผมว่าอาจารย์รู้จักกับสิทธิเอกท่านหนึ่งของท่านลาหิริมหาศยา อาจารย์พอจะให้ที่อยู่ของท่านกับผมได้ไหมครับอาจารย์บัณฑิตพิหารีก็บอกว่าเธอหมายถึงท่านบรามโคปานมูซุมดากระมังครูเรียกท่านว่าโยคีผู้ไม่เคยหลับท่านตื่นอยู่ในสภาวะจิตอันเปี่ยมไปด้วยความปิติสุขตลอดเวลาบ้านของท่านอยู่ที่หมู่บ้านรานพัดปุระใกล้เมืองตาระเกสวน หมูกุนท้าดีใจมากเมื่อได้ร่องรอยบ่อแสนะคะก็ขึ้นรถไฟตรงไปที่ตาราเกสสวนทันทีหมูกุนท้าหวังที่จะดับความหวันใจของตนด้วยการขอท่านโยคีผู้ไม่เคยหลับ อนุญาตให้เขาได้ปรีกวิเวกปฏิบัติธรรมอยู่ในฮิมาลัยกับท่านด้วยท่านบัณฑิตพิหารีบอกว่าโยคีท่านนี้ได้บรรลุธรรมหลังภาคเพียรปฏิบัติกริยาโยคะอยู่ในหมู่ถ้ำอันโดดเดี่ยวในเบงกอลมาหลายปีที่เมืองตารเกสวนมุกุนทะได้แวะไปเยือนเทวไลอันเรื่องชื่อ เทวาลแห่งนี้เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวฮินดูเพราะว่ามีผู้คนมากมายหายจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นณเทวาลตารเกศสวนแห่งนี้เช่นมีญาติผู้ใหญ่ของมุกุลทะคนหนึ่ง ป้านั่งอยู่ที่เทวัลนั่นตั้งหนึ่งอาทิตย์เต็มๆอดอาหารอย่างเคร่งครัดแล้วก็สวดภาวนาขอให้ลุงสาระทะของเธอหายจากโรคเรื้อรังพอถึงวันที่7ก็เกิดปาฏิหาริมีสมุนไพรปรากฏขึ้นที่กลางฝ่ามือของป้าป้าก็เลยเอาไปต้มให้ลุงเขากินโรคของลุงก็หายไปเป็นเปรดทิง้งแล้วก็ไม่เคยกลับมาเป็นอีกเลย เมื่อไปถึงที่นั่นหมูกุญนทาก็เข้าไปในตัวเทวาลาัลเทวาัลาแห่งนี้บนท่านบูชาไม่มีสิ่งอื่นนอกจากหินกลมๆเพียงแผ่นเดียวเส้นรอ บ, บวงของหินนี้ไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีที่สิ้นสุดหมูกุญทา ในยามนั้นอยู่ในอารมณ์แก่หลักการจนไม่สมัครใจที่จะก้มตัวลงกราบไหว้สัญลักษณ์ที่เป็นเพียงหินก้อนหนึ่งในใจคิดว่าเขาควรแสวงหาพระเป็นเจ้าจากภายในจิตวิญญาณของเราเท่านั้นข้าพเจ้าออกจากเทวัลโดยไม่ได้คุกเข่าลงสักการะแล้วเร่งฝีเท้าไปยังหมู่บ้านบรานพัทบุระ ที่อยู่ทางรอบนอกแต่เพราะไม่รู้เส้นทางจึงหยุดถามทางกับชาวบ้านที่เดินผ่านมาจนกระทั่งเขาเดินเลาะริมคลองสายหนึ่งไปเรื่อยๆพอตะวันตกดินเขตราวป่าของหมู่บ้าน ก็ดูมีชีวิตชีวาด้วยแสงระยิบระยับของหิ่งห้อยกับเสียงเห่าหอนของฝูงหมาในที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นถึงจะมองไม่ค่อยเห็นทางเพราะว่าแสงจันทร์คืนนั้นอ่อนมากแต่เขาก็ยังคงย่ำเท้าโซซัสโซเซต่อไปอีกสองชั่วโมงเต็มๆ ม, มีเสียงกระดึงจากคอบัวดังแว่วมาเขาส่งเสียงร้องตะโกนซ้ำๆกันหลายครั้ง จนสุดท้ายมีชาวบ้านคนหนึ่งออกมาดูผมมาหาท่านบราบมาโคปานครับมู่บ้านเราไม่มีคนชื่อนี้นายเป็นพวกนักสื่อบลอกถามอะไรจากพวกเรากระมังชายผู้นี้ตอบมาด้วยน้ำเสียงที่ไม่เป็นมิตรมูกุนทะจึงบอกเล่าสถานการณ์เข้าตาจนของเขาให้กับชาวบ้านฟังว่าเขาหลงทางมาชายผู้นี้ เห็นใจก็พามุกุลทะไปที่บ้านและก็ต้อนรับอย่างอบอุ่นคือคนบอกทางคนแรกเนี่ยบอกแบบคุมเครือจนกระทั่งมุกุลทะหลงทางเขาได้อยู่ในบ้านชาวบ้านที่ต้อนรับแล้วก็ดูแลเขาเป็นอย่างดี ได้กินมือค่าที่แสนอร่อยอาหารมีทั้งข้าวที่ขัดสีอย่างห ย, ยาบๆมีแกงถั่วที่เรียกกันว่าแกงดานและก็แกงกะหรี่ใส่มันฝรั่งกับกล้วยดิบคือเป็นอาหารมังสวิรัตนะคะจากนั้นเขาก็ไปพักที่กระท่อมเล็กๆที่อยู่ติดกับลานบ้าน พอรุ่งเช้าเขาก็ออกเดินทางตัดท้องนาอันครุขระเหยบย่ำไปบนตอน้ำและมูลดินที่แห้งแล้งแตกระแหงนานๆจะมีคนเดินสวนทางมาทุกคนก็จะบอกกับเขาเหมือนๆกันว่าจุดหมายปลายทางของเขา อยู่ห่างไปแค่สองไม้เท่านั้นเขาก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปอีก6ชั่วโมงแต่เขาก็ยังคงอยู่ห่างจากรานพัตบุระอีกประมาณสองไม้อยู่ดีเดินไปเท่าไหร่ก็ยังคงไม่ใกล้คือเดินไปไม่ถึงสัทีเพรล่วงเข้าบ่ายแก่ๆ เขาก็พบว่ารอบตัวมีแต่ท้องไร่ท้องนาที่แผ่ไกลสุดสายตาเช่นเคยเขาเห็นชายผู้หนึ่งเดินตรงมาทางเขาด้วยท่าทีสบายๆไม่รีบร้อนครั้งนี้มุกุลทักไม่อยากจะถามทางอีกแล้วเพราะเกรงว่าจะได้รับคำตอบเดิมว่าอีกแค่โกรษาเดียวโกรษานี่หมายถึงสองไม้นะคะ คือก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะถามใครเขาก็จะบอกว่าอีกหนึ่งโกรษาเดียวคือเดินเท่าไหร่เท่าไหรระยะทางก็ยังคงเหลืออยู่เท่าเดิมก็แสดงว่าไม่ไปไหนเลยชายแปลกหน้าผู้นี้เป็นคนเตี้ยเล็กไม่มีส่วนไหนเด่นสะดุดตายกเว้นดวงตาสีเข้มที่คมกริบคู่นั้นชายแปลกหน้ามาหยุดยืนอยู่ข้างๆมุกุลทะแล้วก็บอกว่า ฉันวางแผนจะไปจากกรานพัฒปุระแต่เพราะเธอมีความตั้งใจดีฉันจึงได้อยู่รอชายผู้นี้กระดิกนิ้วชี้มาที่หน้างงงของมุกุลทะเธอคิดว่าฉลาดนกหรือนึกยังไงถึงจะมาหาฉันโดยไม่บอกกล่าวกันล่วงหน้าเจ้าบัณฑิตพิหารีนั่น ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาที่อยู่ของฉันไปบอกกับใครต่อใครอย่างนี้มูกุนทะได้แต่ยืนนิ่งพูดอะไรไม่ออกออกจใจเสียด้วยซ้ำที่ได้รับการต้อนรับเช่นนี้บอกมาสิเธอคิดว่าพระเป็นเจ้าสถิตยอยู่ที่ใดอา้าวพระองค์ก็สถิตยอยู่ในตัวกระผมและทุกคนทุกแห่งสิขอรับ ทุกคนทุกแห่งยังงั้นหรืองั้นทำไมท่านองค์น้อยทำไมเมื่อวานเธอจึงไม่สุดตัวลงสักการะพระเป็นเจ้าผู้ทรงสถิตยอยู่ในแท่นหินที่เทวาลตาระเกศสวนความทนงตนทำให้เธอถูกลงโทษให้ต้องหลงทางจากคำบอกเล่าของชาวบ้านผู้ไม่ใส่ใจว่าทางไหนซ้ายทางไหนขวาจนกระทั่งวันนี้เธอก็ต้องผเผชิญกับความลาบากไม่ใช่น้อยเหมือนกัน ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับท่านอย่างหมดใจและอดที่จะรู้สึกทึ่งต่อที่พยจาจักสุยานที่แฝงเร้นอยู่ในร่างของชายผู้ดูแสนจะธรรมดาที่ยืนอยู่ตรงหน้าไม่ได้กระแสะพลังที่แผ่ซ่านออกมาจากตัวท่านยังผลให้ข้าพเจ้ารู้สึกสดชื่นขึ้นทั้งทั้ ท, ที่ยืนอยู่กลางทุ่งที่ร้อนเป็นไฟเช่นนี้ โยคีน้อยฉันรู้ว่าเธอหนีอาจารย์มาท่านมีทุกอย่างที่เธอต้องการจงกลับไปหาท่านเสียเถิดภูเขาเป็นครูให้กับเธอไม่ได้หรอกนะพูดเหมือนกับทันสียุคเตสวนเลยนะคะและก็ไม่ได้มีกฎประเบียบใดในจักรวาลกำหนดเอาไว้พวกครูบาอาจารย์จะต้องพำนักอยู่ตามภูเขาเท่านั้นเท oh. ือเขาหิมาลัยในอินเดียและทิเบต ไม่ได้เป็นที่เดียวที่มีผู้บรรลุธรรมหรอกนะสิ่งที่คนเราไม่ยอมคิดเห็นเป็นทุระว่าจะต้องค้นหามาจากภายในจิตใจของตนต่อให้ถอสังขารไปร้อยเอ็ดเจ็ย่านน้ำก็ไม่มีทางหาพบเมื่อใดที่ผู้พักดีในพระเป็นเจ้ามุ่งมั่นที่จะดั้นด้นไปจนสุดขอบโลกเพื่อแสวงหาความสว่างให้แก่จิตวิญญาณของตนเมื่อนั้น ครุของเขาจะปรากฏตัวอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเธอพอจะหาห้องเล็กๆสักห้องให้ปิดประตูอยู่คนเดียวได้ไหมล่ะ <I am. S 1> ได้ขอรับ <am> นั่นละถ้ำของเธอละ่ะ <am> นั่นละ คุนเขาศักดิ์สิทธิ์ของเธอ <am> นั่นละ่ะที่สิ่งเธอจะได้ค้นพบอาณาจักรแห่งพระเป็นเจ้า <am> ท่านมองเข้าไปเจ้าด้วยแววตาของพูดถึงแล้วซึ่งความสว่างอย่างที่เข้าไปเจ้าจะไม่มีวันลืมได้ นี่คือเรื่องสำคัญที่มุกุลทะได้เรียนรู้จากโยคีท่านนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ตอนหน้าชีวิตโยคีกำลังสนุกค่ะวันนี้หลาคุณฟังไปก่อนด้วยเพลงที่ชื่อว่า d o r s Everywhere มีประตูอยู่ทุกที่เหมือนกับมีพระเป็นเจ้าอยู่ทุกที่ไม่ต้องไปแสวงหาไกลที่ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ จากภายในใจของเรานน่นเองแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ สมุดหลังใหม่ห้องสมุดที่ฟังได้ทางวิทยุกับรัศมีมณีนิน